เกิดปติสังขานพวกคณะครูทั้งหลายซึงมาอยี่ณวัดหนองประโคอาตมาใน้ฐานะติ่เป็นประถานสงในวัดหลองประโคจึงขอปฏิสังข า, านโดยธรรมะขึ้นเป็นแม่ข้างปฏิบัติ สองอค้อให้กระบวนการทั้งหลายการอบรมวันนี้เรียกว่าการอบรมธรรมะก็เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายทุกๆคนนักในธรรมะเป็นอย่างยิ่งธรรมะอันนี้เป็นราภเงา เข้ามูลรากฐานให้ประชาชนเราทั้งหลายนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือธรรมะถึงแม่ว่าพวกเราจะในฐานะเป็นครูก็ตามจะมีความรู้สูงสุดก็ตามแต่ว่ามันสูงไปคนละทางมันไม่สูงไปในทางกรรมะ ม, มันสูงไปในทางโลกีวิสัยอืมันสูงไปต่าง อยากธรรมะนี่ฉะนั่นหลักธรรมะนี้ควกเราชาวพุทธทุกคนควรโฟกรลมให้มีธรรมะคนเรามีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีธรรมะมันก็เป็นไปได้ยากไม่เกิดประโยนเท่าที่ควรธรรมะนี้เป็นอุปถัมปตกรรม สนับสนุนอันบุคคลที่ทำที่ถูกต้องคิดคี่ถูกต้องทาคี่ถูกต้องแล้วให้มีความสุขความเจริญธรร ม, มะมีกว้างใหญ่ยาวอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างที่เลยเป็นธรรมะไม่มีส่ง ท, ที่มองเห็นเลยตาเลยยินเลยหูการกระทัอย่างซึ่งเป็นรูปหรือนาะมีเรียกว่าธรรมะอย่างนั้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นธรรมะสิ่งที่จะเป็นธรรมะไม่มีธรรมะในที่นี้จะหมายเอาข้อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเวลาอันสมควรกรรมอาชีพรวมชนเราทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่ให้เหนียวแน่นเป็นตึกแผนแน่นหนานั้นก็คือธรรมะที่ดีที่ถูกต้อง อ้ความรู้ที่มีมาที่ปราศจากธรรมะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ <c oughs> อ้ความรู้ที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยธรรมะให้มีธรรมะจึงเป็นความรู้ที่สมบูบรณ์โมดีบุญ <c oughs> ฉะนั้นบรรดาสาวส่วนเราทั้งหลายทุกท่านซึ่งเป็นอคณะครูที่มารวมปนาวันนี้จงตั้งใจฟัง ให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะธรรมาใส่ใจให้น้อมใจเสหาธรรมะเพราะหากว่าน้อมธรรมะมาใส่ใจมันจะไม่เป็นธรรมะเพราะใจเรายัางไม่เคยเป็นธรรมะก็จะน้อมธรรมะธรามะสู่ใจของเราซึ่งไม่เป็นธรรมานั้นอันนั้นมันก็จะสิ้นลาดไปไม่สําเร็จประียวกันฉะนั้นจึงน้อมใจเรามีไปสู่ธรรมะธรรมะนี่เป็น สภาวะที่ตรงไปตรงมาเป็นข้อประพฤตปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดประโยชน์ตนและให้เกิดประโยชน์พวกคนอื่นธรรมะที่ตรงไปตรงมาดังนั้นแต่พุทธเจ้ากันทรงให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะแตรรมาสู่ใจถ้าน้อมธรรมะแตรรมาสู่ใจธรรมะนั่นก็มีราคาน้อย ใจเราก็มีราคามากมฉะนั้นใจเรามันมีราคาน้อยอยู่แล้วในส่วนธรรมะจึงน้อมใจเราก็ไปสู่ธรรมะหลักธรรมะนี้ทำคนคนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้ให้รู้ขึ้นมาที่ยังไม่มีความดีให้มีขึ้นมา ทียังมีความถูกต้องให้มีความถูกต้องเป็นมากับภาวะอันนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะของพระพุทมีพระภาของเรามีอํานาจมากเป็นธรรมปุตชนคนให้เป็นอริยชนได้ก็เพราะธรรมะดังนั้นเราควรวน้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา คนในกลุ่มหนึ่งในสมาคิหนึ่งในกลุ่มหนึ่งนั้นต้องมีความยึดเหนียวแน่นในทางปฏิบัติการทาการงานที่ไม่เรียดร้อนให้มีความสงบสุขสบายในกลุ่มคนทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องอาศัยหน้าที่การงานทาตรงไปตรงมาต่อหน้าที่การงานเท่านั้น มันก็หมดปัญหาที่จะเกิดข้อมวุ่วายแล้วใครมีหน้าที่อะไรใครมีหน้าที่อย่างไรจะทำงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้นที่สุขชนทั้งหลายใครมีหน้าที่ทำการงานนั้นๆเราก็ต้องทำการงานนั้นๆให้แค่จริงเท่านั้นพอ เช่น่าเราเป็นครูเรามีหน้าที่สอนนักเตือนสอนคนเป็นต้นมันเป็ตัวอย่างเดชพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นครูที่สอนคนพระบร ม, มครูแต่ท่านว่าเป็นบร ม, มครูเรานี้ก็ยังเป็นครูยังไม่เป็นบร ม, มครูเพราะไม่หนักแน่นในธรรมะ ทำที่ว่าครูหรือค า, าวโวครูเป็นผู้สอนเป็นแบบของคนเป็นตัวอย่างของคนถ้าเราทำคนคนเดียวเท่านั้นในี่เป็นตัวอย่างของคนแล้วมันก็สบายเช่นเวลาเราจะทำพระจับองค์จับพันองค์ด้วยหมื่นหนึ่งเราก็ทำแบบทิมของพระนั่นให้เรียบร้อยดีแล้วเราก็นั่งทิมเอา เอากี่มืน่นกีแสนก็ได้มันทิมินเดียวกันมันก็ง่ายสำคัญหลักทิมของพระนี้มันไม่มีหรือมันไม่สวยไม่งดงามหรือไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นคำรูปของพระเสียไปจากความงามทั้นั้นเหมือนกันแค่นนหน้าที่รู้จักหน้าที่รูจ้จักการ ง, งามของเราก็เป็นอันพอแล้ว เนว่าเราเป็นครูหน้าที่ของครูก็มีเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็มีตอนนี้ยต่างคนต า, ามคำตามหน้าที่ของคนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเช่นเราเป็นครูเป็นว่าเราเป็นคนที่กวัดถนนเป็นต้นแล้วก็กวัดต้องเราทุกวันทำงานนี้เกืก่อจะบานกวัดทุกวันทุกวันใครเดินผ่านไปผ่านมาใครจะว่ า, าก็จะสั่งมันเถอะ แต่เจรินี่ยทำอะไรทั้งปวดถนนตัววันตัววันนไม่ว่าใครก็จะเจ้างี้หน้าที่ของเขาเจ็บสองว่าหน้าที่ของเราจะต้องปวดจะประกวดใไปเรื่อยเรื่อย ป, ปวดไปหลายวันหลายเดือนบางทีก็ไปทวงเจ้าของเขา เ, เราทํางานมาหลายวันเนีน่หลายเดือนเนีเงินเดือ น, น, น ม, มันขึ้นสักทีเลยถ้าเราหยิบคนนี้ไปทวงเจ้าของเพื่อนใครความทุกข์ก็เกิดขึ้ น, นมาเนี่ย ค่วงทุกทีทุกเกิดมาทุกทีช่วงทุกทีความอยากเกิดทุกทีขึ้นนั้นอันนี้คือบันจัณฑ์นั้นเรามีความคิดชนี้จะให้เป็นคนที่พอแต่ต่อการงานต่อการศึกษาเราเดียนต่อการหน้าที่การงานของเจ้าของได้เหมือนกันแต่นั้นพอเรามาดูอาจารย์สอนว่าหน้าที่อันไหนที่เขาจะจัดให้เราจะต้องทําแล้วเราจะต้องทําหน้าที่การงานอันนั้นไปอ ไอ้ความดีอยู่ตรงไหนไอ้ความดีอยต่ที่การกระทำนั่นแหละให้ยังไม่ให้เดาดีเราก็ดีไอ้คนดีไม่ต้องให้ใครให้เราเราก็ต้องดีทำดีอย่างเรามำที่ถูกอยู่เขาว่าไม่ถูกก็มไม่ต้องเชื่อใครแหละไอ้คนดื่ไอ้ถูกไม่ให้เราไม่ได้เราทำถูกแล้วมันก็ถูกเมื่อเราทำถูกอยู่แล้วใครว่าผิดมันจะถูกที่นั่นแหละ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วกว็ได้ชั่วอันนี้มันเป็นของแน่นอนแต่ว่าในสมัยนี้ความอยากสมาธผมคับเลย้าคสุดนี้ก็ไม่ดีกันแล้วเข้าใจว่าบางทีแบบทำดีก็ไม่ได้ดีคนทำชั่วได้ดีมันไปทันทันในรูปอันนี้เพราะอันนั้นปัญหาคือความอยา ก, กนั่นมันมาปกเกอน มันมาปกเกือนหน้าที่การงานของเราให้ละเส ร, เร็จไปจากการงานของเราเลยพิดผิตไปใช่ไหมเรายิ่งไปตามเจือดปัญหา น, นั้นไอ้ความเป็นจริงนั้นถ้าพูดในแง่ธรรมะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยมันตรงไปอย่างนั้นขั้มดีเลนะยจริงๆให้พูดแง่ธรรมานายพูดแง่โลกของคนจะยึดเจออย่างง่ายๆขึ้นมาใช่ไอย่างครูอย่างครูที่มานี้เนี่ยนะ ยังครูในมาเนี่ยกับเด็กนักเรียนด้วยเพื่อนกันคนหนึ่งอัอเื่ดป่วยขึ้นมาืมหมดเงินหมดทองเป็นเพื่อนกันตัวว่าจะก็มาขอขออาศัยขอให้ช่วยเวลานี้เงินทองผมจะหมดแล้วผมขอคู่เงินสักพันบาทเอะ เวลานี้มันเป็นคือเราคนนี้สงสารตกันก็ให้ไฟแล้ววันที่เาาทานั้นผมจะเอามาให้่ะครับเขาเลย ใ, ให้เงินไปพันบาทอะาเอาเอกสรเมื่อเอกสาตัวจ้ะแล้ววันนั้นก็เอามาให้เรานะเราก็เป็นคนโนรเหมือกนกันแหละแต่ผมก็กันยังไงได้ให้เงินไปไอ้ค น, นเกี่อวเงินต่างื่อะไรเงินติดมืออลไรกันดีแล้วนี่ว่าเราได้เงินขอเปล่าแหละ ให้ใช่คำพิว่าวันที่20 30จะเอามาให้นแะม่เป็น12 6กลอ่องเขาเลย เ, ง, เงินจะได้ก่แล้วตั้งใจอย่างนี้ก็ให้เงินไปเขาก็เอาเงินไปแล้วก็ให้ไปโดยเจต น, นาอันนี้อา่าไม่ใช่ว่าเราให้ไปโดยเจตนาร้นนายเราให้แค่ถึงวันที่20 30นั่นมันโกงใชแหละคนนั้นไม่เอามาให้เราไม่เหรอ ถาไมเอามาให้แล้วเราก็โตดธแล้วหละแม่ทําดีกับคนไม่ได้ดีดเดือดโกรธจนจนอาฆาตันจนฆ่าจนตายไปเลยนะอก็หออเห็นว่านี่ว่าเราทําดีแต่ทนไม่ได้ดีความอยากจะมาตกเรียนแล้วความเป็นจริงนั้นไอ้ที่เราให้เงินเขานั่นสงเคราะห์เขาน่ะ ม, มันดีอยู่ ไอ้ที่เขาไม่เอาเงินมาให้เรานั้นน่ะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเขาเรื่องไม่ดีนั่นมันเรื่องของคนอื่นเรื่องดีนั่นนั่นเรื่องเราสงฆ์เขาแต่เขไม่ตอบแทนคุณเรามันเป็นเรื่องของเขาอันจริงที่เราเอาเงินให้เขาสงฆ์เขานี่มันดีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่ดีไมนใช่ว่าทําดีไม่ได้ดี ที่คนนั <res Panel. S 1> ้นไม่เอาของมาให้เรามันตรงเรา่คนนั้นไม่ดีเขาทําไม่ดีเราก็ไปเข้าใจว่าเราทําดีไม่ได้ดีเอาเรื่องที่ไม่ดีมาใส่ตัวของเราเก็ไปแย่งมาของเขามาจะเรื่องเขาที่ไม่ดีนั้นก็นึกว่าเราทําอย่างนี้มันก็เกิดยุ่งขึ้นมาซะแล้วก็เห็นว่าทําดีไม่ได้ดีไอ้ความจริงๆเรื่องไม่ดีไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นับเรื่องเราเอาเงินให้เขานั้นมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่้นทาดีไม่ได้ดีอยู่แล้ว อันนั้นเปเรื่องคนอื่นเขาถ้าเรามาคิดในแง่ธรรมะเช่นนี้แล้วก็ความดีเพราะเรายังเหลืออยู่ไม่ได้ไปที่ไหนเรื่องที่มันเกิดพูดนวายจนมาเรื่องคนอื่นแล้วมันทำไม่ดีมันจึงเป็นอย่างนี้เรื่องเรานั้นยังดีอยู่ถึงเนี่ยเขาไม่แทนเราแล้ก็ยังได้ดีอยู่เพราะเราทําดีนี่ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีมั่นค็อเรื่องของคนอื่นเขาถ้าเราคิดในเดียร์ขาดลงไปเช่นี้ได้แนี่ยธรรมะแล้วแล้วก็มีความดีอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เสียหลักที่นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไอ้ทาดีไปดีนี้ทาชั่วใดชั่วนี้หลักนี้แน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงแตโดยที่ว่าเราไม่รู้เท่าถึงตาเท่านั้นเองเราไปแย่งเอาความไม่ดีของเขามาใส่ตัวของเราเลยเกิดเป็นของไม่ดีเข้าใจว่าเราทําดีไม่ได้ดีไป่เส้นนี้อันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าของเรามันผิดไปเราคิดผิดไปเหตุแคนั้นท่านจึงให้น้องใจเรามาสู่ธรรมะอย่าน้องธรรมะแต่ไปสู่ใจ ถ้าน้อมธรรมะกับใจสู่ใจมันจะพาเข้าไปในป่าในรู้เรื่องสิ่ง น, นี้ที น, นี้ผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเป็นต้นจะคลายราะโทสะโมหะลงมาจะเป็นผู้ที่บรรเทาจิตกรรมที่มันร้ายกนัต้อหลอกจากใจของเราได้เป็นต้นท่านจึงว่าอบรมธรรมะการอบรมบ่มนสายนี้เรียกว่าธรรมะ ธรรมะที่ดีแล้วอันบุคคลอบรมมีแล้วไม่นําทุกมาให้เราเลยแก้ปัญหาได้เมื่อเราทุกเกิดขึ้นมาเรียกว่าปัญหาอืมทุกมันเกิดขึ้นมาสารพัดอย่างที่ธรรมะแก้ปัญหาไม่ได้ในนี้อืแก้ปัญหาไม่ได้ในนี้เพราะแฉเหลยของธรรมะนี่มันเหนือจะทุกอย่งสารพัดอย่างกามารถแก้ได้ทุกอย่างทุกที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ ข้ามีมากขั้นตัวแกมากข้ามีน้อยขั้นตัวแกน้อยอันธรร ม, มะอันนี้เรียกว่าพระพุทธองค์ทงตัดแล้วว่าไม่ผิดคิดแล้วไม่ผิดทาแล้วไม่ผิดพูดแล้วไม่เขียนของไม่ผิดอือเพราะธรรมะไม่แสยแคร์เพราะธรร ม, มะไม่สนะใค ร, มมใครโลกเรามันเอาแพ้กันมาเอาชนะกั น, นธรร ม, มะไม่มีแพ้ไม่มีชนะอือแค่นั้นธรร ม, มะอันนี้จริงเป็นของดีตัวจึงเป็นจัตเจตทังสีความจริง ผู้ประพฤตธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเมือ่อทําผิดมาแล้วเพราะว่าชิดในถูกต้องบอสบายแม่ถูกปัญหาเขาว่ามาก็ดีจนว่าเขานินทาเราช น, นี้เป็นต้นเรื่องไม่จริงแต่เขาบานินทาเราอย่างนี้เราก็พากันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกทําไมทุ ก, ทกเพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นเขามาว่าให้เราเนี่ยเท่านี้ก็ทุกคนเราเนี่ยแเพราะไม่มีธรรมะ เ, เรื่องเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าล่ะ ถ้อเราถูกเพราะว่าถูกมินทาเขาคนเราชอบโกรธนะชอบโกรธชอบว่าเขาชอบเครือนคนอื่นใช่เขามินทาเรานี่แหละที่เขาสอนเราคนที่สอนเราโดยเสนิทนี้มีโอกาสยากที่สุดเลยคอือคนจะนินทาเราใช้ประโยชน์เรานี่มีโอกาสที่จะยากที่จะเห็นเพราะว่าถ้าเขานินทาเราแล้วก็ไม่สวายใจไม่ได้รับพิจารณาเรงนี้ ถ้าเขาในแสงในเสือนเราแล้วก็พอีใจใช่ไีมไม่เคยมีปัญหาอะไรอความเป็นจริงที่เขาินทาเรานั้น่ะอันนี้แหละมันเป็นปัญหาอย่างสําคัญที่เราจะต้องศึกษาตัวเรียนบางทีทั้งทางเราที่มาโดยธรรมกอดีเขาคนินทาว่าเราไม่ดีบางคนกกบฏเอาแค่เลยนึกว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นทําไมมามถึงอินทาเราว่าเป็นอย่างนั้นทำมาถึงอิน่เ ร, เ, าา เ, เราไม่ดค้ใจขึ้นเกิดข้าเกิดตาอย่างไรเพราะเราไม่ทําอย่างนั้น ในความเป็นพริงผู้มีธรรมาแล้วเมื่อถูกลิสาเช่นต้องหยุดนิ่พิจนานรณาดูว่าเขาว่าอะไรกันเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเปลี่ยนจริงไหมเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็ี่ยนก็แล้วไปเอาถ้าหาันก็ะเพงที่อย่างเขาว่าทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วจะแกแล้วเนี่ยมันเป็หมดทุกอ่องก็มันตอนนั้นอีกนี่ธรรมะแา่ในเนี่ยนี่ถ้าเราไม่ทํอย่างนั้นเพราะว่าให้เราเล่าก็โตเลยเขาอันนี้มันจะเนี่ยธรรมะ ถ้าจะแง่ธรรมาเดี๋ยวเขาว่าให้เราไมนจริงหรือเปล่ามีอะไรไหมคิด ว, ว่ามันไม่ดีนะั่นเราควรภาลบเออเราจริงนะเราทําอย่างนั้นจริงนะเราพูดอย่างนั้นจริงนะนี่นี่แล้วก็เสียอะไรก็ไม่ ใ, ใจของเราออกก็ไม่ดีใช่จึิงไปไม่ดีแล้วอันนี้มันเกิดประโยชน์แล้วคิดท้องดินธาตุเกิดประโยชน์แล้ ว, ว, ล ว, เ, รลวเราจะต้องเอาความดีในสิ่งที่ไม่ดีนั่นสิเราจะต้องเอาความสงบในสิ่งที่วุ่นวายมันได้ ที่อยู่วันนี้นธรรมะฉะนั้นจึงให้อ่าน้อใรร ม, ม, อรรมใจเราไปสู่ธรรมะไม่ต้องน้อมธรรมะไปสู่ใจเราเพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้เ응พราะธรรมะเป็นความถูกต้องอยู่เสมอถ้าเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะเนไม่ผิดมีแต่ถูกต้องฉะนั้นคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้อ ง, ง, งเนี่ยเยินถูกต้งองเขาไม่มนนีอะไรจะผิดแล้วเขาจะว่าเราทาอย่างนั้นเราไม่ได้ทำํำก็ถูกเพราะเราไม่ได้ทําเขาว่าเราก็คิดเขาก็เอาไปเชื่เราก็ไม่มีอะไร ถ้าเราทําอย่างนั้นจริงเขาก็ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ดีแเราจะทาจริงจริงแล้วก็เสีตัวเลยจ้ะมันก็หมดเรื่องเต่านั้นอันนี้เป็แนแง่ของธรรมะไม่ต่อสู้กับใครนะสู้จะสิ่งที่มันไม่ถูกให้มันถูกต้องลงไปทานั้นแหละะฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นของที่จะแก้ปัญหาให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายมแม้เขาจะระเสินมาก็พอใจที่จะฟังรับฟังไปเกิดความรูกแม้จะเขาจะนินทามาก็ตามเป็นต้นอันนี้ต้ประกอบด้วยความรู้เราตรงนั้นนะ เราจะต้องดูอย่างนี้อันนี้ในแง่ของธรรมะจะต้องสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จะต้องอบรมอย่างนี้ธรรมะมันจะเป็นอย่างนี้นี่แคนั้นจริงอบรมกันเพราะจากจริงอันนี้มันแก้ปัญหาเันได้อย่างแท้จริงทางนั้นจริงที่แก้ได้ได้ในนี้เลยเพราะมันเป็นเปในการปล่อยวางถ้าพูดไปทางรูกเขาแล้วมันก็ลำบากมันเอาแพร่กันมันเอาชนะกันะต้องเอาชนะกันเอาแพร่กันเป็นเช่นในทางธรรมะเอาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประมาณแต่นั้นความวุ่นวายมันจะน้อยหรือมันจะหมดไปเป็นต้นนี่แคนั้นธรรมานี้จึงไม่เป็นคําสอนของพระพุทธ เ, เจ้าของเราทุกคนไม่จะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นหนุ่มก็ตามจะเป็นเท่าแฉะแฉะชราก็ตามเถอะเป็นต้นจะต้องมีปัญหาในทุกระบบปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ทุกเราก็ทุก ไม่ยังเงี้ยเช่นว่า น, นักเรียนหรืครูเราอนี้ก็เหมือนกันมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่นามขึ้นมากับพระความผิดหวังเนี่เพราะความผิดหวังตอบกเพื่อนเขาจะห้าคนหกคนเขาตอบได้แ้่ตอบไม่ได้ผิดหวังซะแล้วไปกินยาตายกันแล้วโจเหนีตายกันแล้วทํางานพร้อมกานหลายปีมาแล้วเขาขึน้นเดือนเดือนไปจะสองพันสามพันเราก็ยังเดือเถื่ออยู่เนี่ยผิดหวังซะแล้วเนี่ยก็ต้องคิด ไม่สบายใจซะแล้วอายครับเี่ยคิดทบทวนไปมาไม่อยู่ไปทาําำไม่ะายมีว่าเนี่ยมันคิดเต่สนี้อันนี้บุคคลเราจะทำความชั่วก็เพรความสิดหวังพระพุทธองค์่สอนว่านาลาปฏาิทำปฏิทุกขั้งแต่ความปารธนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งมันก็เป็นทุกข์เราไม่ดูไปเนี่ยในธรรมะเราดูไปไปเนี่ยจะสิ่งที่มันจะได้มากกว่ากันห น, น้อยกว่ากันแย่งกันไปเรื่อยแค่นั้นแหละ มันก <um ็ได้เกิดความผิดหวังเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วก็เกิดกัจจิภริยาอย่างอื่นขึ้นมาด้วยให้เราฆ่าตัวตายให้เรายิงตัวตายอืให้เราตันคนอื่นทั้งฆ่าทั้งยิงทั้งแย่งเพราะอันนี้เองก็อะไรเพราะแก้ปัญหานี่ไม่ได้อืปัญหาที่ความผิดหวังนี่มันเป็นปุ๊บตายเขาอะไรต่ออะไรก็แค่หลายๆอย่างก็คิดอาภัพเป็นมาอันนี้เป็นเหตุให้มนุษย์เราสั้งหลายทําความชั่วในโนเด็บุคคลยืนต่อไป เพความผิดหวังเมื่อผูดถึงธรรมะแล้วความผิดหวังของธรรมะไม่มีนะถ้าพูดถึงธรรมะความผิดหวังของธรรมะไม่มีธรรมะไม่ผิดหวังธรรมะไม่ผิดหวังเพราะมันไม่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพตั้งไเนี่ย จะใครเสกคนเราไปจริงไ้มไปจริงไปจริงไหมไปจริงไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีความรับรองของโรบีวีไทอธรรมะนิทานว่าไม่แน่ธรรมะนิทนว่าไม่แน่เ็นควรจะได้ไปก็ไปควรไม่ได้ไปก็ไม่ไปผมไปเดือดขาดเลยควงนี้แน่นอนไปรนะ้อยเปอร์เซ็นตเลยมีสองคนนะเมื่อตอนลงเพินมาเนี่ยมันปวดท้องจริงจ้า จะตายจะไปไม่ได้แน่รอยเปอร์เซมันหนีไปที่ไหนล่ะ ม, มันถูกคําพระว่าไม่แน่คําที่ว่าไม่แน่นี้มันถูกแล้วถ้ามันในปวดท้องต่อไปจะปวดท้องไปแล้วมันจะถูกยุบทางวันแหละธรรมะท่แก้ปัญหาอย่างนี้อเพราะนั้นอายทุกสินตุย่างต้องให้อภัยกันท่านให้อภัยที่สมควรที่ธรรมะเป็นลักษณะที่แน่แน่เมื่อ ม, มีโอกาสเป็นพี่ต่อไปเมืม่อมีโอกาสก็ไปไม่ได้ มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เรืยไปแะนั้นธรร ม, มะมีไหมผิดหวังพากันไปอบรมเถอะให้อบรมเถอะให้มันดีเถอะอบรมเถอะไม่ผิดหวังอืมนัไม่ผิดหวังแ น, น, งน่นอนสอบจะได้ไหมไม่แน่เสอบไปเล้วอืมมันไม่แน่เลยนี่ไม่มีทุกไม่มีทุกไม่มีทุกทุกไม่มีเออมันไม่แน่มันก็จริงน้วยนี่หรือหากว่าเส้นไถมาไปโรงพยาบาล น, นั่นเนี่ยคนเราอยากจ่ายหาอย่างเดียว ห า, า ห, าหายหายใครไปดูก็หายหายเพื่อนผมไปเอให้หายวันหายคืนเถอะเราก็อยากจะให้มันหายเอาหายอย่างเดียวเรื่องไปหายไม่คิดถึงพระไม่ว่าย่างนั้นหายก็เอาไม่หายก็เอาเราเอาจะหายอย่างเดียวแม่จับเอาที่เดียวก็บิดที่มันทิ้ๆๆงไปทึ้งหนึ่งแล้วนะ่ะมันมรรมมนี่ทำมาเนี่ยเกือบไข้ไปเข้าโรงพยาบาล น, นะถ้าแต่เกิดว่าตายก็เอาเป็นก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอ า, า, เอาโอ้ยมันสบายเดืเอดเลยเนย มันสบายคนเอาไม่ตายอย่างเดียวมันตายมันร้องไห้เท่นั้นแหละเพราะนั่นเนี่ยอย่างนั้นนี่ทนายมี่คนอบรมธรรมะอันนี้แค่ปัญหาโดยทุกอย่างธรรมะนี่มันถูกอยู่กัทั้งวันกับทั้งคืนเลยแต่เราไม่เห็นมันเสียงควรอบรมถ้าเอาไปแท้คุณครูทุกทุกคนการปฏิบัติคิดชนิดมันสบายด้วยินทีเนียจะอยู่กับพวกกับหุงจะทํางานคนลมันก็สบายจะอยู่กับบ้านกระช่องก็สบายจะอยู่กับลูกกับเมียก็สบายทั้งนั้นแหละไม่ต้องเสียงกันหรอก งันต้องเส่ยงการพูดเช่นว่ามันไม่แน่ใช่ต้องไปแล้วไปทางงานใช่ไหมบ้านพูดอยู่ไม่แน่เนี่ไปทางงานเลยพ่อบ้านพูดึงไม่แน่ไปทางงานไม่มีเสียงกันแล้วก็เพราะมันแน่ๆเห็นไหมแต่มันแน่ไหมบางวันมันเสียดกันมีไหมนะบางวันมันรักกันมีไหมมันแน่ไหมนะบางวันมันใจดีบางวันมันใจไหนดีเห็นไหมมันก็ไม่แน่ไหมมันไม่แน่อย่างนั้นธรรมะก่นเห็นอย่างนั้นยาตการก่อนจริงว้าเพราะนั่น ให้นักไปเนธรรมะเราจังร้ายให้ให้นักไเนธรรมะอย่าให้ย้อนธรรมะให้นักไปในธรรมะให้มีธรรมะให้สอนธรรมะให้ประตุกธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะให้มันดีทุกวันนี้คนเรายิ่งนี้ออกสัจธรรมะเท่าไรเขายิ่งงงไปเท่านั้นยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นนะใค่นี้ไปอยากธรรมะให้รู้จักของธรรมะจะพาวระทังหลายเหล่านี้ใช้เรื่องอยากธรรมะนี้คือนั่นไปฟังธรรมะกันเถอะ จะไปฟังธรรมะอะไรฟังธรรมะคือจิตใจของเจ้าของนี้เองเพื่อทำจิตใจท่องได้ให้สบายนี่ก็เพราะอะไรการทําบุญถุนทานหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ว่าศีลสมาธิปัญญานนเนี่ยศีลเนี่ยศีลคืออะไรเนี่ยศีลไม่ใช่แบบปานาอาจินาจามีมูสาสุลานะ่ะอันนั้นไม่ใช่ศีลหรอกข อ, องห้ามให้ศีลเกิดขึ้นมา ดังางห้ามันไม่ยากว่ไม่ไล่ถึงเจโน่คือต้งตองไปบวชก็ได้แล้วปนานาทิ น, นาตามเลงูสาโซลานอันนี้มันเป็นเครื่องห้ามของมันถ้าห้ามมาอยู่มันก็เป็ น, นไม่ฉิ่นเลยไม่ฉิ่นในตัวนี้พ่อห้ามมันห้าอย่างก็มีเจตนาห้ามสิกเวศีรังมาตามตัวเจตนานั่นแหละเป็นศิ่นอันนี้จะไปเอาบัญญัติอันนี้จะเป็นห้ามห้าข้อนี่ว่าเป็นฉิ่ไม่ได้ฉะนั้นคนเรารักษาฉิ่นโดยสานที่ว่าไปท่องหรือไปบุญ ในหลักการห้าประการนี้มันถึงจะ ม, มีความสุขมันไม่มีการละการละแล้วจะเกิดนาอันนั้นเนี่ยมันเป็นเศษจะเน้ น, นอันนี้เราก็ทำจนไม่เคยตกเหมือนกันอืให้นักในธรรมะอือัตมาเคยพูดตรงไปตรงมาเยอะอที่ไปที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ธรรมะนี่มันน้อยเกินในกลุ่มชนพุทธบริกัทเราทั้งหลายน้อยอืน้อ ย, อ น, อ ย, น, อยนักเรีธรรมะซึ่งนม้ ทำบุญบ้านก็ดีทำบุญที่ไหนที come, Hitler, ่ไหนก็ดีมันนักกันแค่ที่แค่อย่างอื่นใช่ไหมหรืกเอาทำบุญแค่หนักในชั้การกะทำบาปใช่ไหไม่ไปมีบุญกันเดี๋เอาบุญไปแตะไปชนะดีแม่งว่าเป็นบุญกันไม่หนักในธรรมะไม่หนักในพุทธศาสนาหนักแค่ที่อย่างอื่นแต่ถ้าเกว่าผมเคยทำบุญมาเคยฟังธรรมมาเคยอะไรอะไรให้ทานมามันก็เป็นอย่างเนี้ไม่รู้บาปอะไรไม่รู้บาบุลอะไรไม่เป็นอย่างนี้ เราจะไปคิดเช้นนั้นเพีการจะทําบุญนั้นคือทําใจเพราะนายรู้จักบาปบุญคุณโทษที่เองไม่ใช่ว่าเอาของให้หลายมาทานมันเกิด บ, บุญมันละความทุกข์ได้กิเลสมันหมดไปได้แต่อาหารดีๆมาถวายพระหรือมากินกันกิเลสมันหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นอาหารอะไรก็ข้าหมูมาเช่นนั้นแหละข้าไก่มาเช่นนั้นแหละข้างวัวมาเช่านั้นแหละกินแล้วยิ่งยิ่งไฟกันใหญ่เลยไม่พออีกเอาเล่าม่ใายกันเพิ่มอนนี้ อ้าเอาเข้าไปอีกอันนั้เป็นบุญไม่มีบุญเลยไม่เห็นบุญบุญน่นเรื่องชั่วร่างจิตใจของเจ้าของนี้อย่าเบียดเบียนใครเนี่ยทำผิดในเป็นบุญเป็นผูศสนี้มันเป็นบุญไม่ใช่ของไอ้นั่นบางคนทําบุญเป็มิตรนี้มาแล้วคนึก้ก็ดีอกดีใจเลยทําบุญอย่างนันมากไอการา่าเบียดเบียนทั้งหลายใครในจิตของเจ้าของนี้มันมีบุญจะเกิดเป็นที่ไหนอืบุญเป็นของที่สะอาดก็เกิดจากของที่สะอาด กายสะอาดวาจาสะอาดใจเราสะอาดบุญนั้นที่เกิดขึ้นมาได้ในที่นั้นอันนี้มันกระทับุญมนกินเล่าันสมดทุกคนแล้วไอ้คนที่จะเอาบุญมันมาหมดแล้วจะเอาไงกันดีวะในกรณีมีมูลภาพไปเที่ยวไคนที่เล่าฟังนีแลวพระจะไเที่อะไรฟังเราไปเทีมันผิดมันถูกใครฟังอ่ะถูกคนที่เล่าเขาจะไม่ชอบพระหาว่าพระอย่างนั้นมัน่อ่ะมาทงหมดใคยไปใคีเล่าก็กินกันชอย่างเดียวก็อย่าไปเทศอีกกันฟังเลย ให้มันเมาเต็มที่อยู่มันได้ต่อแล้นี่มันไม้เกิดประโยชน์ช้างไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าช่างไม่เกิดประโยชน์ช่างไม่เกิดประโยชน์ัชะชนประโยชน่พวกคนอื่นจะทํำอะไรก็ให้เกิดประโยชน์อืฉะนั้นมีมวลอาจามาไปที่ประชุมที่ไหนอัตราไม่คล้ายทีคนมันมีคนฟังธรรมอืมอันนี้มวลไปเที่ยวแข่งเสียงรถยนต์เล่นเท่านั้นเนี่ยมดกําลังเฉยๆอยู่สบายดีกว่าให้สงบสงบอย่างนี้กันมาฟังธรรมเอาเหตุผลกันอย่างนี้ดีกว่า อันนี้เป็นหลักทุกสนากาศนะมากแต่ว่ามันในน้อยไม่มีราคามากไม่รู้เรื่องเลยบางคนอาจจะไม่ได้ฟังางทำอะไรที่นั่นไม่อยากจะฟังคนที่เล่าเมื่อเสียไปมาันีน้นมีมนล้มพ่อเสียตนี้ตูไม่ต้องเสียมากวัน น, น, น, นะนี้เดียวคนไม่อยากได้ของม่นี้นั้นแหละไม่พอใจเลยเอานิดเดียวแต่ขางดีก็คยเอาคุยเอาเท่านั้นแหละอือก็หาเวลาเอามากมากอะไรอ่าง้ยอือเทสจบแล้วตยังพูดอีกว่า นี่นีทั้งมีทั้งต้องพ่อจะเจออกันหลายดอกนี่ละเออที่เล่าเนี่ยทีทำาอะไรก็ไม่ร้ายอย่างนียอันนี้ไม่ดีนะควรอดรมกันใหม่อันนั้นไม่ใช่บุญแล้วโดยโดยทกันไปแต่ไม่เหลทุกวันมันเดือดร้อนกัมาเพราะอะไรเพราะคนไม่มีบุญทาบุญไม่รู้จากบุญกันทาบาปไม่รู้จากบาปกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเนยผมจะเจอเดียวไหมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไร เขาไม่ดูเรื่องอะไรเลยไม่จะไดูเรื่องอะไรนเี่ไม่รู้ครูไม่รู้อาจารย์ไม่รู้พ่อรู้แม่รู้การรู้มันเขไม่รู้เรื่องมันก็องเป็นอย่างนี้แสไงนะเมื่อถึงที่จะ้เรื่องในค่อยทพิจารณากันเนี่ยก็ทําอย่างอื่นด้วมันไม่ผิดได้หมดกันแลอันนี้ควรอบรมธรรมะเรายังอยู่นะถ้าคนจะทํำยังมีอยู่นะอะไรอะไรทั้งหมดยังมีอยู่นะเที่ยงของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ออย่างการหัวแบบนี้แหละ บวชกันเนี่ยแทพักตางไงบวชกันบวช้องต้องบวชมดเงินถึงหลายหมื่นบวชไปเจ็ดวันสามวันสิบคนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยบวชกันแหกันสองวันสวันเวันหมดเอาของเงินทองเนี่ยอาจะมาไม่ไม่จะเห็นไม่เอาละอาจะมาไม่เอาั่นบวชอยากใจคงเห็นเลยบวชกั้งคืนเนาะบวชกัางวันสิบเจ็ดคนมาถ่ายรูป ทายอุปชาม้างทายคู่สวจม้างทายหน้าม้างทายวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเลอไม่รู้ว่าเป็นอรโยชอะไรนะไมากมายทีห้าช่งบวชกันสบายสบายชาคราเราแก่สบายดีก็ไม่มีอะไรบวชแล้วก็ต้องปฏิบัตเิเจ็ดวันก็ให้ปฏิบัตเิเจ็ดวันพิภพาวันก็ให้ป็นบัติพิภพาวันให้มันทำเถอะไอ้มันดูเรื่องมันบวชมาได้ให้มันมีปัจจัยให้มันมีร ถ, ม, รถมีชาติติดตัวไปจะเป็นข้อแนะนําเราให้เป็นตัวอย่างของคนอออืเอ อยากจะคิดขนานดีอย่างนี้พระองค์่ในสมัยหนึ่งอยากจะฝึกม า, ก า, า, าแล้วจะถอยขอดาสู่าอาจารยแม่ศิษยนานไปดาท่านม่อยู่ท่านก็ใหย้ยศิษย์ลาวันนี้ศิษแล้วพรุ่งนี้ศิษกไ็ได้ตอนเย็นมาจับไก่มาฆ่าแล้วท้มกินเลยไม่ต้องฝึกหรอกพระบอกว่าทําไมาท่านจึงกินไก่จึงกินข้าวเย็นกันเนาะกินจะเป็นอะไรพรุ่งนี้พรุงจะศิษย์ดู ดูติมันคึกตอนถึงจะละแย่ง ไ, ไงล่ะจิตใจของคนเราเป็นยังงั้นท่านจึงมาให้น้อมใจเขาไปหาธรรมะอาจารย์จะไม่เห้นน้อมธรรมะกสมาใจของเราให้น้อนใจของเราก็ไปดูธรรมะนะให้น้อนใจเลยน้าไปเราก็เดียใจของเรามีคุณค่าน้อนจึงนอมเขไปหาธรรมะเมื่อน้อนธรรมะก็มาใจใจของเราใจเรามันก็เบิ่มนยู่พี่ มันก็มีอํานาจมากกว่าธรรมะเท่านั้นเพราะว่าจิตใจเราเป็นกันอย่างนี้มิชนะ น, นธรรมะนี้โทษถึงว่าธรรมะธรรมานี้ไม่มีโทษกระไถ่กันอืลยชนัะ น, นธรรมานี้เมื่อหากว่ามันแทรกเข้าไปอยู่ในสัตว์เมื่อหากว่าธรรมะนี้แทรกเข้าไปอยู่ในเด็กธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนหนุ่มธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนแก่ในวง่ากตการในวงไหนก็ตามเลย เมื่อธรรมะแทรกเข้าไปได้เนี่ยก็เหมือนการกะตีดยาที่มันถูกส่อโลกมันเองมันจะปล่อยมันจะเพาลงไปมันรู้ตาเห็นตาสว่างหูและยินมีละมีการให้อภัยการทุกขสิ่งทุกประการมีทําความชั่วมาแล้วก็พยายามจะต้องละทําความผิดมาแล้วก็ต้องพยายามจะต้องละอดีตที่ล่วง ม, มาแล้วก็ดีปัจจุบันนี้ก็เย็นดําเนล์อยู่เพื่อจะละ อนาคตก็เพื่อจะมาให้ทั้งหลายเหล่านั่นเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราเข้าใจในธรรมะชนนี้แล้วมันก็เกิดเข้าใจอย่างนั้นนี้แค่นั้นในฐานะที่ฐานะทูทั้งหลายที่มาอบรมในวันนี้ก็ดีแล้วออัตมาได้อพูดธรรมะให้ฟังเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อประพฤติปฏิบัติอยากให้เข้าใจว่าของดีเกิดมาจากที่ดีนะนของมันดีนั่นมันเกิดมาจากสิ่งดี อยากได้ของดีนั่นจะต้องทําเหตุให้มันดีดีเหตุมันดีแล้วผลมันก็ดีเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีอันนี้จำไม่เลยแน่ไม่มีผิดได้ทีเดียวไม่มีผิดถ้าเหตุไม่ดีแล้วสิ่งที่เกิดมามันก็ไม่ดีอืถ้าเหตุดีมันก็ดีเหตุชั่วมันก็ชั่วแต่ว่าบุคคลเราจะชอบคิดอย่างนี้ว่ามันได้แน่ะมันดี ไม่ได้นั่นแหละบาปเนี่ยอันนี้คิดกันเป็นนิสัยโดยมากอได้นั่นน่ะมันดีโชคครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่แว่าได้มาในทางที่ดีมันก็ดีแต่ได้มาในทางที่ไม่ดีมันไม่ดีครับเดียวนอนอยากเดีย่อยู่ยากเดียวกินยากเดียวลําบากเนี่เดี๋ยวจะคิด อ, าาาา อ, าอ่างนี้บางคนเอ๊ะธรรมะไปงั้นอ่ะได้มันได้มันอ่ะมันดนีมันไม่ได้มันไม่ดี มีคนคิดแบนี้ดีให้ครึ่งหนึเหมือนกันได้นั่นน่ะมันดีแต่ว่ามันได้ในทางที่ดีถ้าไปโกงเข้ามาน่ะไปโป้นเข้ามาน่ะไปฆ่าเขามาน่ะได้อะไรเข้ามาในทางที่ไม่ดีนั้นมันเกิดขึ้นมามันก็ดีดีเป็มันได้แต่เนี่ะแต่ได้ในทางที่ดีนั้นไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าอีกวันหนึ่งนะวังให้มันเไม่ดีมันเดือดเยนเข้ามาอีกสักวันหนึ่งสมมติไปฟังนะเขาจะประกาศว่าหนังมนุษย์มีราคามาก หนังโครูยิ่งมีราคามากนะหนังครูใหญ่หยิ่งมีราคามากตัวครูน้อยนะนี่ให้จัดการสมมตินั่นสมตนสมติเป็นนอนนแต่มันหนังครูใหญ่นีมีพิโรห น, นึ่งหลายหลายสิบบาทนะเ <it> นี่ยหนังมนุษย์จะมีราคาเป็นมาเช่นนี่เออใครเอามาจะใครพวาวะใครวะได้มาเนี่ยเป็นบุญได้ร้ายเป็นบุญครูใหญ่จะอยู่ลาบากเนาะนะ ครูใหญ่ดีแบบครูทุกทุกครูอยู่ดับบล์คนธรรมดาเราก็จะอยู่สบายแคหน่อยเขไม่เป็นรูหนังไม่เป็มีลาคาเท่าไหร่นะทีนี้เมื่อหากว่าได้ท่าศีกว่าได้ดีได้มากเลยนะมันดีเป็นบุญเขาจะหานะทีนี้นะเขาจะหาหนังครูนะเขาจะแยงหานะเขาจะแย่งหาทําบุญกันทีนี้ข้าเอาหนังเป็นไงอทำเป็นยังไงเนี่ยดีไหม ไม่ดีแน่นอนเลยาการมันเป็นแค่นี้หรืออีกคุณประกาศว่าขายยาพิษยาพิษเนี่ยสําหรับเป็นยาพิษให้ใครกินกะจะตายเิีหายตรงนั้นเนี่ยเขาจะประกาศว่ายาผมีดีที่สุดให้ไก่กินกระชายให้เส็อกินกระชายให้มนุษย์กินกระชายยาี่ดีมากที่สุดดีแน่นอนดีค่าดีนั่นก็เอาอะจะของยากินยาดู่ย จะก้าวินมั้งมันกินไม่ได้ถ้าไม่ยอดดีเดน็นี่เช่นนั้นแหละอันนี้เพราะอะไรแล้วเพราะดีไม่รู้จักดีเนี่ยเนี่ยดีที่มันได้มามันดีไม่รู้เหตุมันพระพุทธเจ้าก็ามาสิ่งสัญกว่าเหตุนั่นแหละสำคัญมากกว่าผลผลนั่นมันเกิดทีหลังล่ะผลมันเกิดทีหลังต้นมนั่วว่างแล้วไอ้ต้นมันดีกว่าผลมันนะจะต้องมีต้นก่อนถึงมีผล ผลเผื่อพรไม่ได้อันนี้ตรงมือนกันฉันนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จงสนใจในเหตุดีที่ปราศจากโทษดีนั้นดีในทางพุทธศาสนาดีที่ประกอบไปด้วยโทษนั้นมันก็ดีเหมือนกันดีนอกจากพุทธศาสนาดีแล้ววุ่นวายดีแล้วเผื่อโทษดูดีแล้วเดือดร้อนอนั้นกะไม่ดีกรรมชั่วที่คนทำแล้วกรรมอันใดที่ใครทาแล้ว เลือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีกรร ม, มนในที่คทนทําแล้วอตายด้วยวาจาทำเแล้วมีความสุขในภายหลังกรรมนั้นดีกรรมนั้นคือว่ากรรมสอนของพระพุทธเจ้าของเราไอาเ้เช่นนี้หลักที่จะมุ่งปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปวิ่งอาอยุอยู่ที่ไหนเนาะมันมีกายของเราอยู่แล้วมันมีวาจาเราอยู่แล้วมันมีใจอยู่แล้วใครจะไปรู้จักดีกว่าใจของเราเนาะ ให้ครูทุกๆคนลองลองคิดดูทีว่าตั้งแต่เราเกิดมาจำได้ในบัดนี้เราย้อนหลังนู้เราทำอะไรบ้างคำดีแฉะไหนที่ไหนมีไหมตังทั่วผิดถูกมีไหมอันนี้อันนี้ของอันนี้เป็นปัจจัยต่างๆไปดูเอาเองแท้มีตรงนั้นแต่ใครจะรู้ดีกว่าเราแล้วนี่เพราเรารู้เองเราเราทำเองเราที่เรารู้เองเราเราทำเองเราโลกพอปฏิบัติเองเรา เราก็เลิกเองเราเราขละเองเราปฏิบัติเองเราสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามที่ติดอยู่ในใจของเรานั้นถ้าเราไม่ชนะมันใครจะมาชนะให้เราละ่ะจะให้ใครหน้าที่ของเราเราไม่ทําใครจะมาทําให้เรามันเจนเจนนี้ให้คิดเจนนี้มันเป็นธรรมะฉะาานั้นให้อคนะครูสังหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้ไปตรวจตราดูเจอะว่าแค่ไหนมันมานี้มันมีอะไรบ้างไหมในใจของเรานั้น มันคิดชอบถูกต้องแล้วหรือยังนั่นให้ตำรวจดูไม่ใช่แค่สำรวจดูต้นไม้ภูเขาเรากาเรล่าตัวดุกายรู้ใจของเราวัง น, นี้หรือย้อนอ ด, อดีตนั้นะมันมีอะไรบ้างไหมถ้ามันมีที่ในวีสุทธิยามละมันเชื่อพยายามละมันจนถึงปัจจุบันนี้ในอนาคตที่ยังไม่ทำตัวดีก็พยายามอย่าทํามันอย่างนั้น อันนี้เรียกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมะไม่ใช่น้อมธรรมะเามาสูใจของเราอันนี้จะเป็นปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุนี่จะนั่งการประพฤติปฏิบัตินี้เมื่ออะไรอเมืม่ออะไรทาทั่วแล้วทําดีทําดีแล้วก็ทาทั่วทาทั่วก็ทําดีบุญบุญแล้วก็บาบบาิดผิด ต, ต, ต, ตุกตมันก็ผิดผิดตุกตทีนี้ทำบาปมาแล้ว ทำบุญล้างมันจะได้ไหมได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าในนี้พระพุทธเจ้าเขาทำผิดมาทั้นั้นเนะ่ําำบาปมาชาววอกก็ทํำบาปมาทั้งนั้นทำผิดมาทั้งนั้นแต่ท่านรู้และท่านหยุดหลักธรรนี้สําคัญมากอย่างเราคือเหมือนใจอะไรทุกๆคนนะเคยสูบบุหรมาเคยกินเหล้ามาอะไรอะไรทุกอย่างมาแล้วเมื่อมาเรื่องที่นี้นแล้ว่จะหยุดไม่ได้เลยกนะินเหล้ามาแล้วหยุดกินมันได้ไหมหยุดกินไม่ได้เป็นหยุดบาป กินกัญชาไม่ได้หยุดกินมันได้ไหมหยุดกินเร่หยุดบาปหยุดแต่วันนี้ไม่กินแต่วันนี้ไปก็ไม่มเมาแต่วันนี้ไป น, นี่เรียกว่าทาบาปมาแล้วทําบุญล้างมันเพราะการหยุดอืไม่ใช่ว่าจะทําบาปซะเอางัวตัวหนึ่งมาฆ่าลงไปซะเอาไปถวายพระสักครึ่งมีแล้วก็กินกันคึ้งนึ่งอันนี้ไม่ใช่ทําบุญล้างบาปกันแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแบบหยุด แบดหยุดแบดหยุดทําบุญนเคื่อรกันอยู่เพื่อที่จะทําบุญล้างบาปแ บ, บ่งบาปกรณีมาล้างเลมทนั้นแหละถ้ายใครอยู่เดี๋ยวลองดูก็ได้อถ้าครูเราทุกคนยังทานาเล่าอยู่หยุดพินาศซะถ้ากว่าต่อปีน่ะมันยังเมาอยู่อย่างเดืิมจะมาเทลี ย, ยร์ธรรมะจะแบบธรรมะมันนี้อยู่อย่างนี้แหละแต่คนเราไม่ใค่อยสนใจไม่ใช่ียพินาเอาจริงอาจังกันนะมันเปลนเปล่นนี้อันนี้ มันมีที่ตัวของเราอันนี้อันนี้วันนี้ที่ได้บรรยายธรรมะเด็ดขาดนะบรรยายธรรมะนี่มันจะติดต่อกันมันเด็ดกาดนี่ทาแสดงทําโดยเด็ดขาดเพราะว่าขัวอะไรมาทุกอย่างก็จับเลยนะเหมือนเราจะหมือนอาจจะมาจะไปจับไก่ตัวหนึ่งจับถูกหางมันก็เอาจับถูกขามันก็เอาจับถูกปีมันก็เอาจับถูกปากเอาหมดเลยไม่ถูกไก่ตัวนก็พอ นะพูดเด็กกระเด็ดนี้มันทุกอย่างหลายอย่างจะเอาอะไรมารวมกันในวันนี้ให้มันหมดทุกอย่างได้ไหมไม่มีมันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทมที่เด็กกระเด็ดนี้อานิสงส์แห่งการต่างทำนี้กับบรรลุธรรมมาในอย่างสูงสุดเหมือนกันในกล้องผู้จัดการเราสมมติการแต่แสดงทำไม่ติดต่อหรอกแต่ม่ามันเนื่องกันอยู่ไม่ติดต่อแต่ว่ามันเนื่องกันมเนื่องในการละเนื่องในการบำเพ็ญอยู่ถึงแม้จะจับใจตัวเดียวจับถูกขาต้องก็ขาใจเนี่ย จับถูปีมันก็ปีไก่จับถูกหัวกั บ, กบหัวไก่จับถูขนกับขนไก่ไม่เคยเป็นขนเป็ดขาเป็ดต่อ <S <S มันเป็นเป็นี้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าใครมีปัญญาฟังธรรมอย่างนั้นน่ะในอัจฉระเดียวจะรู้ได้ที่การฟังธรรมชนิดนี้โยนคิดว่าในเวล า, านี้ความธรรมเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้โดยมากออกไปจากนี้ไปจะไม่เข้าใจว่าเราได้ความธรรมความจริงธรรมะ น, ะนะั้นเทโวยุทุกเวลา ออกเดินไปทางถนนนั้นเห็นสุนัขบังกับกันนั่นเนี่ยเที้ยนเราฟังแลสุนัขมันเพี้ยเราฟังมันแย่งกันกินก้าวได้ไหอมันแย่งกันกินก้าวมันทะเลาะกันนี่เรื่องนี้ไม่ดีเข้าใจไหมยังไงสุนัขบังกับกันอย่าเอาเอาอาหารไปเตะมันแย่งมันอย่างนแย่งกันกินก้าวเห็นมามันแย่งกันกินอย่างนั้นเลาก็น้อมกันมาเดีออันันเป็นไงนะเราแย่งกันอย่างนี้หรือเปล่า นั่งรถเทสเด้นั่นอ่ะเออเทสหรือ น, น, นั่งรถไปเห็นต้นไม้ต้นนึงมันโค้งลงนั่งก็เทสเดี๋ยวเราฟังแล้วเนะี่ยต้นไม้หนึ่งเทสเด้ฟังเอออันนี้มันเกิดมาเริ่มกระจายนะนี่นะเราก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้เนอะมันจะยืนอยู่ต่อไปไม่ได้ทุกอย่างเนะี่จะเดินไปอย่างเนี้ยนั่งรถไปอีกทับนึ่เห็นเห็นงวต้นนึงมันเดินทางไงดีรถเดินหนึ่งงานหนึ่นมันประเทสเด้เราฟังเนี่ย อันนี้งัวนั่นนี่นะเม่ไม่รู้ภาษามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลอยอย่างนี้ได้ใช่ไม้มทุกวันเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนทุกขณะให้โยมทั้งหลายเข้าใจว่ามีธรรมชาติให้ความรู้อยทุกเวลานะทุกเวลาเรือไปถึงบ้านแล้วนะออกจาก้ถไปถึงบ้านไปกินข้าวมาสังธรรมมานี่มมนหิวไปถึงบ้านเลยกินข้าวมากเกินไปอึดอัด นั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายนั่นแหละมันเทศให้เราฟังแล้วใช่ไหมนี่เทให้เราฟังแล้วมันอึดแล่นั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายมันมีใจจะเดือดกันัากแหละนี่เป็นยังไงนี่แหละไม่พอเหมาะตอควรนนี่คือของไม่พอดีถ้าพอดีมันก็องอยู่สบายนั่งสบายนอนสบายอืนะถ้าไปมัวอย่างเช้นไม่กินเลยกินไม่พอซะ เกิดนอนจถึงมันถิงอันนี้ประเทศให้เฟังอยู่แล้วอันนี้มันในพอเหมาะพอควรมันไม่กิงข้าวอย่างงี้แหละคนมีปัญญาจะต้องให้ไล่ปัญญาจะทุกเวลานอกจากตายไปแล้วนะนอกจากตายก็แล้วคนคนตายมีกาแฟเหมือนกันนะคนเราก็ไม่รู้จักคนตายเหมือนกันเนะี่ยเป็นคนตายเราเป็จนอกจากคนตายไปแล้ว ตายหายใจอยู่เคยเห็นไหมเราเคยคิดนะมคนตายเดินไปเดินมาคนหายใจเดินเคยคิดว่าคนตายมีไหมนั่นแหละคือคนไม่รู้จักคนตายอั ป, ปมาทโทมัจะโนประทังคนเปิดหมาดแล้วคือคนตายแล้วพี่ดอกมันเคยดอกคนตายใช่ไหมมึงด อ, อกคนดีเราไน่นว่ารวมหายใจเข้าออกหมดไปเรียกว่าตาย อันนั้นมันตายหยาบหยาดเกิดมาทีหนึ่งตายทีหอันนี้มันตายทุกวันทุกวันเออมันตายมันตายมันตายทุกวันทุกวันหายใจเข้าหายใจออกเดินใจเดินมามันตายทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนี่มันตายมากกว่านั้นอันนั้นเกิดมาทีหนึ่งตายทีหนึ่งอันนี้เกิดมาทีหนึ่งมันตายหลายทุกคนคนประมาททำไมอันนี้ผิดแล้วก็ต้องทําอยู่ไม่หยุดอันนั้นว่าไม่ดีก็ทําอยู่มันก็ไม่หยุดอันนี้ประมาท ให้ผู anyway, ้่จ้าองค์นกับคนตายคนตายเอาสมาธอมาจินูประชังคนประมาทคือคนตายไม่เป็นอะไรแล้ยเดินไปกระจายอย่างนเดินกายไปกระายฟังอยู่ไปเอาปฏิบัติคือคนตายฟังทำไม่ได้คนเป็นฟังใจนี้ก็ไม่เปนละเท่าที่ควรได้แต่เป็นคนตายเป็นครูตายไม่ใด้ครูเป็นมันเปนอย่างนี้คนตายอย่างนี้ให้ฟักันเห็นนะไม่ใช่บางลมหายใจมีแล้วมันตาย ถ้าเราคิดแบบนี้มันก็ดีทุกคนนะนั่นแหละใช่ไหมดังนั้นในดีละ่ะ ม, มันก็ดีได้ทุกคนเราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่หนักเป็นธรรมะเราหนักเป็นทางอืน่นนักเป็นัางอืน่น อ, อย่างเราก็ไม่เคย แ, แก่เหมือนกันเส้นหนุม่มยังเลี้ยงไม่ดูจากคน แ, แก่ไม่จากคนหนุ่มก็เ <c oughs> ขาเห็ น, นว่าคนห้องอ๋อเขาเป็นคนแก่นั่นแนหะเป็นเด็กไม่ดูเรื่องอนะไรเรือนั่นแหะเป็นเด็กคนไม่ดูเรื่องอะไรเด็กขนาดนั้นแนหะ คนอายุเขา20ปีเขาดูจากธรรมะธรรมอรููจากความสงบสงัดนั่นแหะคนเขาแก่เขาใหญ่เขาโตแล้วอหัวงอเขายังกินเหล้าอยู่มในเด็กเด็กอมมือถึงนั้นแหละไม่ใช่อื่นเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรเด็กเด็กเด็กไม่โตนั่นอายุวชนนักเนี่ยชินเด็กแล้วเข้าใจอย่างนี้รู้จักคนแก่ดูจักคนใหญ่ดูจากคนตายดูจากคนไม่ตายแล้วต้องดูจัก ถ้าเราากันนักในธรรมะมันก็ต้องรู้จักทั้งหลายเหล่านี้แค่นั้นนะถ้าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักต่งนี้ไม่รู้จักว่าเราเป็นเด็กเราเป็นแก่ผู้ใหญ่เป็นไงเราก็เห็นว่าผู้ใหญ่มียศเกียรติยศหรืออ้วนอ้ว น, วนส่วนใหญ่พนันว่าเราใหญ่อันนั้นมันใหญ่ของของ อ, อ, อาหารเนี่ยมันในเนื้อเป็นอาหารมันมในข้าวในปลาเป็นอาหารมัน มันร่างกายใหญ่ๆคนนั่นน่ะมันมีราคาใหญ่หมูน่ะมีราคาคนไม่คนนี้แล้วอือจะเป็นโลกอักเสบโกคจับโลกใจวุ่นวายเท่า น, นั้นเนี่ยอันนั่นใหญ่นั่นหมูเขาสันเสือกันใหญ่ของคนนี้ต้องมีใจใ ห, ใหญ่ใจสูงจะต้องมีการให้อภัยกันจะต้องมีการให้อุปยอมอารีกันต้องหนักในธรรมะมี่เดียวกัผู้ใหญ่อือใช่กับผู้ใหญ่ไม่ธรรมะ เมื่เช่นเั่นนั้นวันหนึ่งครูนํานักเรียนมาอบรมว่านักเรียน น, น, ยย น, น, นี่มันสอนยากครูโรงเรียนเด่นเลนี่แหละแต่ตัวมาตัดยาเด็กๆตัวนั้นน่ยมันสอนยากเขาก็นั่งฟังเวลาจบแล้วพวกเด็กๆนักเรียนเนะี่ยเดินไม่ถามว่าวกครูเราเป็นไงกันลนะ่ะตำมาทีรงนี้มั้ย <c oughs> นี่เป็นอะไรแต่ไม่ไม่พูดตรง น, นี้นะอาจจะมาเลยพูดกันว่า เด็กนักเรียนมันสอนยากมันลาบากก็ควรให้อภัยมันเพราะว่ามันเป็นนักเรียนมันเป็นเด็กไอ้ครูสอนเด็ก น, นี่ไม่นควรแยกสามชีกันต้องทําความเข้าใจกันใหมันดูเรื่องไม่ควรแฉ่งแยง่งสิ่งกันในกันเราเป็นแบบของคนเป็นแบบของนักเรียนไม่ควรเห็นแก่ตัวควรในมันสบายในโรงเรียนนะั้นในครูนั่น คนนอกไ ม, ม่ทำมาอย่าไปแย่งแย่งกันในตาม น, นันนี่ถ้าว่าครูเป็นเช่นนี้ไม่ควรให้อภัยแต่เพราะเป็นครูเด็กๆมันดื้อเนี่ยแตควรให้อภัยมันมันเป็นลูกผิดเราไม่เป็นเหล็กพ่อแม่ดื้อนีนะ่ไม่ควรให้อภัยลูกมันดื้อตอนไหนใครมันเป็นลูกเรานะก็เด็กๆนั้นมันจะเป็นพ่อแม่คนจะเป็นครูคนมันจะมาจากไหนเ่ะเราเป็นครูคนก็ต้องเป็นครูคนครูคารวูครูผู้สอน อืก็ต้องทําอย่างนี้นี่อาชาปรษธามะมันเป็นนี่นะมันตรงไปเลยอย่างเงั้นนะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครละธรรมะมันเป็นนี้มี่จะนั่นก็ไอ้คณะครูทั้งหลายทั้งครูผู้หญิงผู้ชายที่มานี้ในวันนี้มาอบรมธรรมะอาจารมาก็พูดธรรมะอบรมให้นะคิดถูกอะไรไปจิจารณานะมันตรงไปตรงมามันถูกน้าตาสีตาสาไม่รู้เรื่องนะถนนเนี่ยทำนี้มันตรง แต่สูกส่วนแต่ศีลแต่สามนเรื่อ ง, รงกรื่งมันไปอย่างเนี้ยอย่างนั้นก็ชื่อว่าตรงไม่ได้อย่างนั้นก็คือว่าธรรมะไม่ได้ยัางนั้นจเอาอยัางไงกันไม่มีมาแต่ถามจะทำยไงกันนอกจะทําอย่างนี้ให้เป็นคนดีได้อย่างอื่นไม่มีจะไปตามใจคนทุกคนไม่มีแล้วอืมไม่มีแต่ว่าข้าโตโกระตาสมทุทรธรรมภูมีภาคก็ดีแล้วมันมีอย่างนี้ดีไม่ตามไปตามที่เดือดของใครเท่นั้นเนี่ยดีตรงไปตรงมาตรงไปเรื่อยไป มันมีอย่างนี้จนยืนยันไม่กลับธรรมะอ่ไนของพระพุทธเจ้าไม่แก้ไม่บรญยัติอีกไม่ได้ถอนอีกไม่ได้ใน ม, มันกฎหมายชาวโลกเรากฎหมายเราชาวโลกเรามาจนยุ่งนี่เอาถอนมัอนออกไปอีกจะถึงนี่ถอนนี่เดียว่าอ่าให้คนที่ไม่แน่นอนจิตใจแค่พุทธเจ้าถอนไมได้บรญยัติไม่ได้อะไรก็ฟังมันเรียกว่างของใจตัวแล้วฉะนั้นธรรมะนี่เป็นตรงไปตรงมาถ้าจะฟังถ้าหากว่าใครฟังเข้าใจแล้ว จะมีประโยชน์มากทีเดียวเลยจะมีประโยชน์ครับจะให้ประโยชน์แก่ตัวเราจริงๆนี่ฉะนั้นหากอะไรมันผิดภาพที่ไม่สบายที่อาจะมาพูดไปนี่มันมันมันพูดไปเหมือนหอกมันแทงคนนึงแบบนี้อื่นี่ขวงทางไม่ได้ธรรมะเป็นงนั้นแต่พูดไปงั้นอ่ามันคิดผูกอะไรอะไรก็ให้อภยัยนี่ฉะนั้นวันนี้การเวลาก็เห็นจะเหมาะสมอืมนี่ฉะนั้นการบรรยายธรรมะมาในวันนี้ ข็ต้ควรเจเวลาในเวลาที่สุดผลที่สุดนี้ขอประเคนทางหลายด้วยอำนาจแห่งคุณาาพระพิจิตรณาพระราชคือประพุทธประธรรมพระสงฆ์จงปกครองกล่องกามพรท่านทางหลายที่ทั้งใจเมตตุรงในวันนี้ด้วยอำนาจแห่งการาประพฤทธแห่งการปฏิบัติธรรมะโดยกายวาจาใจของคณะครูทางหลายวันนี้จงให้มีเกิดผล โดยสรรมะโดยสมาปฏิบ <S 2 Anfang> ัตินี้ใ eh ห้ยูเย <kek> ็นเย็นสุดทุกทุกคนเตม